ชาวพุทธต้องมีจุดยืนที่มั่นคงหลักศาสนาพุทธพระพุทธองค์สอนให้เราสร้างความรักความเมตตาปราณีต่อกันนี่คือหัวใจของศาสนาพุทธอยู่ที่ตรงนี้สร้างความรักความเมตตาปราณีต่อกันสิ่งที่ชาวพุทธจะพึงศึกษาคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติในจักรวาลนี้ ทำอย่างไรเราจึงจะรู้คุณประโยชน์ของสิ่งที่มีอยู่ในพื้นแผ่นดินของเราธรรมะที่พระพุทธเจ้ารู้คือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาตินั้นพระพุทธเจ้ารู้ว่าเราจะเอาประโยชน์จากธรรมชาตินั้นอย่างไรธรรมชาติที่นักวิทยาศาสตร์เขาวิจัยออกมาและเขาค้นคว้าเอามาทาประโยชน์ได้อันนั้น พระพุทธเจ้าท่านรู้แต่พระองค์ไม่สอนเพราะพระองค์เชื่อมั่นว่ายังมีคนที่สามารถที่จะค้นพบได้อยู่แต่ธรรมะอันเป็นอมตะคือพระนิพพานินอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวไม่มีใครค้นพบพระองค์จึงสอนแต่ทางที่จะประพฤติปฏิบัติให้หลุดพ้นและทำความสงบสุขให้แก่สังคม ที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตาปราณีมีอะไรเป็นหลักฐานศีลห้าข้อกับเมตตาพรมวิหารยึดให้มัน่นใครมีปู่ย่าตาใหญ่พ่อแม่รักเคารพ บ, บูชาพ่อแม่ให้มากๆสามีภรรยาให้รักเมตตาสงสารกันให้มากๆพ่อแม่เมตตาสงสารลูกให้มากๆลูก เคารบรักพ่อแม่ให้มากๆนี่คือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงอยู่ที่ตรงนี้มันเป็นแผนการและเป็นอุบายสำหรับปรับพื้นฐานความเป็นอยู่ให้มีจุดยืนที่มั่นคง